บางรายก็ค้านมาทำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของมือสุดอยู่ที่ไหนต้องมือสูดเช่นเดียวกับทองคำน่าจะตกลงในตมในโคนก็ต้องเป็นทองคำ้าไปตมในโกนงไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกเห็นทองคำ ก, ก็ต้องเป็นทองคำแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโคนติดเปืือนทองคำนั้นนะ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 มีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรแก่ทำที่นี่ใจยังมีความสกรปรกมากน้อยเพียงไรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกรปรกไปด้วยนะท่านเรียกว่าปลอมหมายให้ไม่บริสุทธิ์แค <c oughs> ่ทีนี้แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคำภีใใ์ใบลานตามตำหลักตำลาก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจําหวัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลส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 ก็ต้องอาศัยถีติภูตังคือธรรมชาติที่เป็นเป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันหวหมายถึงใจทันภูแยกออกมาม<น>ถีติภูตังอวิชาปัญญาสร้างคารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้เลยอันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภททันธิราคาตากาตตาตาลาธินานิมีเส้ยให้ดังกาตาันหาภวสารยิภวตันหา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 ทำแล้วทำเหล่าจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญานี่เป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอานาจของกิเลสไม่มีอันใด ท, ที่จะระงับหรือดับถึงอนนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปรอันเป็นอมต์แนี้เท่า น, านั้นนี่มัคคอริยสัจจงนีเครื่องมือ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 รูปเวญธนาสัญญาทั้งขานดิน อ, อยาเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูต ร, รพิสูนรสิ่งเหล่า น, นี้อันนี้เป็นป้าหมาแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความจริงขึ้นมาประเทศไปทีอื่นไม่สะดวกใจถ้ะเทศลงตรงนี้แล้วมันถนัดเพราะนี่เป็นตัวจริงวิเลย ก, ก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ฤทธสนาธรรม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 ใครจะไปติดกักันห่วงห้ามให้นเป็นไปได้เือ <ừ. S 1> พิรนาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าโคนไม้ตามลมอย่าไปขัดขวางทาโมยเจ้าให้รู้ตามความจริงใจก็จะสบาย้าอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลแห่งความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นพวกขมันมาแล้วที่ให้ใจอยู่กับธรรม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 อันเป็นจุูที่ต้องการแล้วบรรไดกับเราก็หมดความหมายกันไปอยางนั้นมีเรื่องของมรรคคือสติกับปัญญาเป็นต้นเฮียาทาหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความอุดพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสปัญหาสวรรทั้งมวลก็หมดปัญหาไปต่ามๆกันนี่แหละคือความเด็ก